จริงๆคำว่าเปลี่ยนได้ครับได้หักบวกจากกิเลสผมจะกร้บบวจนกแต่ผมมาคำนวณดวงคนเร่องนี้มานจริงว่าเป็ี่ยนได้เสื่อมบวกจากกิเลสเพราะจะวางหาวิธีตัดมือมันบว้จากอะไรตัดมือบนมันเอามีดเอาผ่าตัดดอกกิเลสผมเปียบไว้ผมเป็นเด็กน้อยไปติดตัะยันครับไปบักเอาอยามมีเอามากันเท้าเนี่ยไปเจียวออก เลือดกไปทาขอานวดติดมือยับมือมักขนุ่เนี่ยก็งทีผมอยากัห้มักมีมักขนุ่งไปันเดียวก็มันติดมือติดบ่ออเอาน้ําไปล้างมันไม่อยากออกแล้วันนี้ผู้ใหญ่เขาบอกมึงจะให้ดังสันแม่กันทิ่ยังไงเอาน้ามันแก๊สน้ำมันแก๊สน้ามันกาดนี่ยก็น้ํามันเบนซินน้ำมันมูอ่านั่นจะว่าน้ำมันกระตั้งซ่างมึงก็จับมาหกเสื้อมือมันออกรถอ่ะเนี่ย บัดเน้ยผู้เท้าผู้แก้ค่าเจ้าเคยด้วยหนี่งไม่จับบัดนี้เอาน้ำมันแกบน้ำมันกาน้มาใส่กับหุกออ ก, กูหรือจะมีน้ำมันหมูกระตัมซาง้านเน่ามันอบเฟ็ตน้ำมั น, มนหมูทอดไว้มันอแล้วก็น้ามันเบนซินแล้วก็มีน้อยน้อยแล้วมาไว้ยามันใส่ต่ใช้อันเดียวออกลกู อันวิธีที่เราโบยักเลิกละจากของเต่าเนี่ยคุณเอานกขี้เล็กมันเป็นอย่างเหนียวผมว่านี่หาวิธีตัดซะตัดมือคุว่าตัดตัดหรือว่าไม่ตัดมือแต่แค่ได้ตัดต้นหลงตัดราาเอาทิ้งเอาของที่มันเคยใส้เคยจ่ายย้อนทิ้งคุณว่าตัดมันนี้ตั้หามันก็คิดถึงอยู่แค่ระดับเดียคิดถึงอยู่ พ่อมันเคยให้เคยทำดิคิดถึงบุญนีและบุเนียพ่อกิเลสมันไม่อยู่หันเลยด้ยมีแต่ตัญหาความยากอุปทานยึดคิดทอดคิดถึงย้อนอะไรคิดก็ยากของมันตำ่ำเพิ่งเอิ้นว่ัยบากไม่ได้ทำแล้วพร่งวานี้ย่างสมมุติเอาหนะครับบางคนนอนตื่นมาแล้วเก็บนั่นเก็บนี่30นาที40่สิบชั่วโมงนึง ก, ก็บรรลุ จับไม่อย่างว่าโลกคุกคักเอาไม่ให้จังใดจังสันเหยาบเหินเอิานกีเล็ดด้วยเห็นกิเล็จักเชื่อมานจีลักิเล็ได้บอกผมเลิกได้เนี่ยว่าผมเลิกกิเล็ดเพราะพอเห็กิเล็ดได้ไปเดิกสันอันที่นํามาเราให้ฝันผมคิดว่ากิเพ็ดตัดต้นมือตัดต้นลมเขาว่ากันก่อนรถเท็กเตอร์ไทยมันออกนบอเคยว่ารถเท็กเตอร์ไทยหักเล็กหักน้อยมันออกมดแล้วมันบกเกิดบั้น อันนี้เขาโ้าจักกิเลสเขาว่าเป็นซื้อ อ, อันว่าเป็นนักบุญประโยชน์มันโบเห็นโบ้าจักกิเลสกิเลสมายถึงมันอยู่มั น, นมเหานี่แล้วมันมีขอบอยู่นี่บัด น, นี้เขาเห็นกิเลสแล้วอันนี้มันเป็นกิเลสทิ้งเลยตัดมื อ, ขอเขาไปเลยไปปัญหามันยากเยอะเนี่นี้ยากกับบริกิตแล้วมันโบมีแล้วเนี่ยนนี้อุปท า, านมันคิดถึง คิดกระยาขมันแล้ว like. มันบนหนประโยชน์แล้วคิดผมคิดอจ่างว่าอันควมคิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยมันใส่หดไหเนี่ยอันวาอยู่นี่อดีตอนาคตใส่ไมดไปัจจุบันนี่ยังว่าอันผมว่าให้ฝั่งสูน์ซูน์เนี่ยบ่เข้าใจว่าเอาอดีตอนาคตไปใกล้กันให้เอามาไว้ใกล้กันเนี่ยเอาตัวกิเลสเนี่ยกับตตัณหาตัวอุปทานเนี่ย มอว่าใกล้ใกล้กันเนี่ยอันนี้เขาบอกเข้าใจฟังผมิว่าเป็นซื้อแสดงว่าอย่าบอกเข้าใจธรรมะและ้วไปสอนผู้อื่นมือนกับพิบเสียลนะบอกฟ่วมผิดพลาดนั่นป็นบอกเกิดแหงหัวบาป อ, อันกรรมกรบีบากนั่นะเป็นว่าเอิ่อนการธรรมะเปยเป็นว่าเดียวกันทำลาแล้วผมก็ได้เรียนทาลาดอกดีผมรู้จักแต่เะเรื่องธรรมะอันนี้ผมบอกผมรู้จัก ตำนานมาหลายเตอร์ไปว่าเธอแต่ผมจะมีความสามารถกล้าพูดกล้าสอนวาต่อพอต่อแม่ต่ออ้ายต่อน้องต่อพักต่อครัวผมเป็นโยมอยู่เสีด้วยดีนะสอนนะสอ น, สอนปีกู้คุณผมสอนแล้วก็คุณตำนานขึ้นทุมือทุมือเหนือยังว่าปีนี้พวกเขาหมกพิษกันให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์คนได้ผมจะพยายามแยกแยะออกคําพูดนี้ ที่ผมดูมามันแยกแยะไปแล้วก็ผมก็เลยมานอนบัตรเพรู้จากอันนี้ดีแล้วโอ้มานอนนอนแล้วก็ธรรมดาผมอยากมันอยากตื้นตีนึ่งตีสอบนี่ยหละอยากตื้นเขกาไปหน่อยตื้นตื้นลุกลุกแล้วผมลุกเบาๆบวไว้ให้ห้องนอ่ะนิสัยเป็นยังไงนินสัยพวกประพฤติธรรมเด้ อันนี้ใส่คุกคุกคิกคิกบอมแนนี่ใส่ประพฤติบ่มีจะใส่ปฏิบัติธรรมนี่ใสกิเลสอันนั้นให้จัวใจวิญญาณนี่ยมันเป็นสันดานมันเป็นยางเหนียวมันบูยักออกมันบอยักเลิกมันบูยักเท่าพยายามออกพยายามเลิกพยายามเท่ามันว่างั้นจึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจกั น, น้นแต่ผมนางข่าวนั้น บางทีพวกโบราณนาก็ได้ลุกออกมามันมานั่งป้างจังหวะพอสมคนแล้วประกอออกมาลางหน้าเดินสมควรขึนออกมาตะกมันเรอยบนอนนิดโมราณก็ได้นั่งอยากที่บานนี้เขาก็มาเดินสมควมือทันได้เดินไปแล้วเดินไปน้อยๆเนาะเห็นตัวพี่เจ็บตัวหนึ่งแลนออกมาคว้าแล้วออกมาพาดหน้าผมไปผมก็เลยไปเอาเทียนไข่ ตามตัวขี้เกียนั้นไปตัวขี้เกียจนนั้นไปไกลแล้วค่ะหรือบริเหตุที่บริธานเหตุเพราะผมขี้เกัดนงเจ็บมันเป็นเลือดออคนขี้เกียกัเป็นฟองแค้วโอ้โหเจ็บลายเป็นอะไรเลือามาเพียงใครมาตั้งไล้ของเก้าออมาตั้งของเก่าเดินกลับไปกลับมาก็เลยผู้จักสิ้นขึ้นมาเลย สิ่งวิธีผมรู้จักนัก่นกสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันโอ้กิเลส ย, าสยา่างหนากิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดทวนว่าสิ่งเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างหาาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างละเอียดโอ้ใใกิเลสย่างหนาได้แก่โทสะโมหะลุภะ กิเลสย่างกลางเข้ามาบันเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานมีเด้มันหนักมันตัวโทสะหมวอันนี้มันบริยักษ์พงบริยักวางตัวกิเลสย่ยงางย่างกลางเนี่ยมันบรอยักเศร้ามันบริยักเลิกนี่กิเลสย่างกิเลสย่างละเอียดอะไรสันหมายถึงปกติได้ที่เป็นอนุสัยแลาก็เลิกได้กิเลสย่างละเอียด กนเลยเขาจักสรมฐากรรมฐานขึ้นมาลงกรรมถากรรมฐานมันไปสงบแบบนั้นสงบแบบเบาลือนั่นเองกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเหมันเกิดปัญญาเฉยๆหลวมพ่อคือกันพระนุ่นนี่น้อยคือกันแม่ข่าวแม่ด่งคือกันเกิดปัญญาเห็ุจางใจเฉ อันนี้พูดว่าเอื้อนอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาบนแม่อาร ม, ม, ราารมย์ยังที่อย่างภาวนาเนี่ยอารมณ์เป็นทักเป็นทักไปออย่างว่าเขียนหนังสือนั้บอกว่ามาทางนี้เนี่ยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งมาทางนี้มันไปทางนั้นมันบุญทกเอาไปตภาวนาพุโทโธบ้างสัามมาอรหังบ้างนับหนึ่งสองสาบ้า ง, องหอมนุกบ้าง ดูลมหายใจบ้างนึกเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณหมอในหัวใจดีบ้างนึกเอาลูกแก้วหรือพระพุทธรูปลอยเข้ามาสวมสัวเหวนี้ไว้คือเสื้อคือผ้านี่อันนั้นโบเมนมันคิดเอาซื้อๆผมคิดทำมันลอกเอาบอแมนวันนี้เหามาเบิง้งผมคิดของมันคิดเาเห็น มันคิดถา่าหูโอ้ความสงบ จ, ral, จึงเป็นคือเรื่องกันความสงบของสมาธิรามฐานนั้นมันสมงบแบบบลูห้อให้จิ ม, มันเบาลูจิตเบาลูกิเลสวากิเลสเต็มหักบาลูกิเลสอยู่ดํากิเลสกับบุญจักกิเลสนั่งของกิเลสอยู่กับบุญจากกิเลสมันให้เข้าใจกิเลสบันี้บางทีเมื่อนี้ก็ตัดลูกรักษาคดีนะ ตัดไม่ตัดมือกันห่องที่มีเคยใส่เคยใส่ออกก็ทิ้งให้หมดตัดมืออันเนี้ยมาเนี่ยหาบาเห็นได้ไหมจีมาจะคิดถึงบนเนี้ ย, น ย, ยนนเนี่ยตันหาจะยากแลยตันนอุปท า, านมาตะจีจะออเอาของอุปไปทิ้งเฉยเนาะเนี่ยเป็นเหาต้องตัดมือเหา่าเขาบ่กตัดมือเหาแล้วบ่มีผลอืุ่กิตัดมือออกให้ได้ดมัดทั้งมือที่มาตัดมือออกกั บ, บ่ได้ เทวดามาตัดมือของกวดได้ไพ อ, อินพระพรหมมาตัดมือเขกงบนเขาเลิกเองเขาตัดมือเขาเองนี่แต่ผมไม่ได้ตัดดอกผมเลิกไปคือเพราะว่าข่าวนั้นผมสุบุรีผมเลิกที่เบิรแต่ผมพยายามออกโอนสินี้นานเนี่ยมันติดอันเนี่ยคัดว ก, กินมันทองบดุดีเดี๋ยวนี้จะเลิกได้แล้เดี๋ยวนี้นานอันเนี้ย อย่งออกได้เียนะอันนี้แหละจึงว่าเอามาปฏิบัติีเพื่อให้เข้าใจจริงๆถ้าบอเข้าใจจริงๆแล้วเอาจิตไปสอนคนมาปฏิทิทศจึงว่าพระเนนเฮาหลวงพอผู้คงพระผู้คงเนรผู้คงญาติโยมผู้คนต้องฟังคําพูดผมหลวงเบิ้งมันจริงแม้รึมันจริงผิดเอาไปพักวิจารณ์พิจนารณาหลวงเบิง้งแล้วปฏิบัติลองเบิง่ง ท่านมันใส่ได้ผมว่านี่มันดีเพราะว่ามันดีอะไรเตริบเนั้นแล้วผมคิดว่าเงินจากลานบาทนี่ซื้อบรดได้เลยซืออย่างคำพูดผมว่านี่มองว่าแต่ลานบาทได้จากพันล้านบาทด็กก็ซื้อบรดได้เลยนี่คำบริสุทธิเอาบรดได้เลย่ไปพบพระพุทธเจ้าจากศิษพระองค์ใกาเฮ็ดบรดได้เลยนีน่ันเป็นอนันนี้จึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมข้อตรงขึ้นมา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาลบพระธรรมเนี่ยสิเคเขาบอกเขาลบคามกระทําของเหาได้ดี๋ยวู่ น, นี่ที่เป็นแล้วด้วยวที่กําลังเป็นอยู่ด้วยที่จะมาตัดสูด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องลบพระธรรมเขาจีบุเห็นธรรมะไลยเขาจีว่าจะธรรมะธรรมะธรรมะมันบอกเป็นได้ธรรมะธรรมะเนี่ยแต่ว่า ใจมันบเห็นเมื่อใจมันเห็นแล้วมันเข้าใจธรรมะทะี่แท้ดีเด้อเอาพระธรรมเนี่ยไปทําเอาพระธรรมเนี่ยเอาของสุขภๆๆูออกไปทิ้งเอาพระธรรมเนี่ยทําให้มันดีขึ้นสำนักทัพนี้ควรก็ดีขึ้นโตเฮานี่แหละมันดีจะบอกให้เขารดประทานที่เคาลบบุคคลผม้ามา แล้วที่จีิงเขาลบตัวเห่านี่แล้วเพราะว่าเขาเป็นพระธรรมเนีกมือไหว้ตัวเองมือเศร้าครับทุกนยกมืไหว้เด็คๆเพราะครูนี่มันดีปานี้นาอสนมันมีเพชรมีทองคำเจริไนได้แล้วแบบเนี้ยเอาไปขายราคาข้อแพงนี่ผมเปียกไปอ่ะสันเจ้ า, จาผมบอกไม่ได้เรีย น, นอย่งนี้เยครับเข้าทีหนึ่งนนผมยเข้าทีสอง อันให้ทานรักษาจินจินเจดีแล้วอันแรกมรับบุญอันนี้อันนี้มาขวมมัดคือวอ่ากับแผ่ดินควมกขดุงสิโอมันควมมดถ้าทําถูกต้องอันนี้แล้วมดบาดเดียวย่าเนี่ยพอเข้าใจกันสักตอนนี้เศร้บาดนี้ได้ทําไปทํามาผมก็รู้จักเห็นดูเข้าใจจริง เมื่อเข้าใจสมถะกรรมฐานแล้วมันบวบตายมันมุดตื้ยอยู่ภายในจิตใจมันเป็นอะมันบเบาใจก็เลยเห็นการกระทำบาปนี่แหละการกระทำบาปเอามือไปตีตาเบาๆใจโบได้คิดมันเห็ุไปสืบเหตุตามอารมณ์ไม่โบนี่แหละตัวกิเลสเขาโบได้หูจักก็มันเฮ็ดหต้กิเลสมันพาเหตุไปนีถ้าหากเราลกมือจริงๆแล้กัน ตายไปแล้วไปตนกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนบ่บ่นเนี่ยวบุตรเจตนาบุได้เห็นคาพูดตัวบองเหไปตาไม่ใสกิเลสให้บุตรไปเหตุาตาไม่ใสกิเลสถ้าหากเราโลกมีจริงตายไปแล้วไปตนกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนจากวันเข้าใจอยมั้ยวันนี้มือบ่ทำปากบ่บอกใจคิดซื้อ แต่บ like ัวข <in> ัดใจคิดใจมันเป็นกิเลสสิที่วายฝังเนีบัวตัดต้นหลมฮีโบสัลากมันที่กิเลสมันบเนี่เป็นอยงนี้ถ้าหากนรกมีจริงวันนตายไปตกนรกคุมใดนานจากปีจากเดือนคาอันบาดนี้มือก็ทำปากกระเวาใจก็คิดพร้อมกันให้หากนลกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรก คุณใดนานจากปีจากเดือนเข้าใจอย่างไรก็เลยตื้ออยู่ข่าวหนึง่งมีคนสว่างไปิดเคลื่อนภนายในใจิตใจอีกคือโอ้ถ้าหากทำบุญบุญแล้วทำบุญโดยบุได้เจตนาในเต้มือนี่ทิสันซื้อปากเว้าใจกระบอกชุดทำไปซื้อๆ ท, ทำไปตามกิเลสให้หมดไปถ้าหากสวรรค์มีจริงตายไปแล้วจุดตูดสวรรค์ทั้งใด นานจากปีจากเดือนนวันนี้มือโบํา ม, มือแต้ปากว้าวซื้อๆว่าไปตามกิเลสนั่นแหละเลยว่าว่าโดยบุญจากทศนั่นแหละบุหิตกิเลสกิเลสของมุญจากกิเลสอย่างว่าตัดกิเลสเนี่ยมันเอาเอาจริงจังจกวันนี้นถ้าสวรรค์มีจริงแล้วเกิดสวรรค์นสักหนานจากปีจากเดือน วันนี้ปากเบเวามือบิดทำมือใจใจคิดซื้อใจคิดไปต่างกิเิสซื้อใจหักบุญจากกิเลสคิดไต่างกิเลสถ้าหากสวรรค์มีจริงได้บันตายไปเลยเพราอเกิดสวรรค์นานจากปีจากเลือดอไ่ปนอรรู้จักหวันนี้เอามือก็ทำปากกรเวาใจกรคิดค้อมกัะทำสารยางนี่แหละมั น, นถ้าหากสวรรค์ นิพพานมีจริงน่ะตายไปแล้วจิตไปเกิดสวรรค์สั้นไหจิตไปเกิดนิพพานสั้นไหนนานจากวันจากปีจากเดือ น, นเนี่ยเขา้ใเขาใจอย่างไรพอดีเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มีตรงยาวใจขึ้นมาดูนี่แห่ะกิเลสสา้เขาจากกิเลสว่าตัดเ้าลมาว่าตัดไม้ต้องตัดรากมันพุ่นใช้แว่นกรีนนี่เด้ คำากิเลสกิเลสย่ยกิเลสจังได้เจ้าของคิดอยู่ให้เรากิเลสเจ้าของติดอยู่นั่งของกิเลสอยู่ให้เราคนอย่างว่าเอาขี้เป็ดตปลางขี้ไก่เอาขี้ไก่ไปล้ลางขี้ป็ดมันบาแล้จากเท้าตัดมือของนี่ผมไม่ตัดมือจะแคร์ได้เอาทิ้นหองเคยใส้เคยใช้เอาทิ้งหองเคยพูดเคยเล่าเอาทิ้งนี่ ตัดต้นลมขอ ง, งที่มีอยู่แล้วมันบุทันประโยชน์อย่างคุณค่ามันนี่น้อยทิ้งเลิอกอันนี้แล้วก็ไปดตูตัดต้นลมตัดมือตนเองสิบิเลสตันหามันยากมันยากคิดถึงผู้ประทานมันมันคิดถึงตามจะมันจะคิดอยา่ายงว่อาอดีตอานาคตช่วยเขาได้ทางดผมยังไว้ฝังยาอาดีตไปได้ใจกันยาเอานอกไปได้ไกกัน อดี้อนาคตกับปัจจุบันให้มันอยู่งใกล้ๆกันนี้นะคันถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเขาแล้วมันก็เป็นอันเดียวมันพุ่งมาเลยอันนี้มันยุ่งกลกันมันก็เลย่เป็นอันเดียวมันยากเถื่อนเอาโเข้าใจกันพอดีเห็นอันนี้แล้วคล้ายๆเถื่อนฟิวใส่ฟาสมมุดอันนั้ขาดตัดตรงที่แหละคันถ้าจีวาทางมันสว่างมุดตึ๊บบรรยากาศจีวาทางมืดอ่ะ ใครขาดเสรินุตเติบไปกดเรื่องินเสรีาเนี่ยกวังตัวขึ้นมาลดเหยนยดงซัายหรือเปรียบว่าคือสำบลีแห้งน้ำนี่แหละบีเท่าเด็ก็บอมีน้ำผมเปรียบหลายอยากหรือคือช่วงไหนร้อนมัดต้นนั้นมัดคนนี้ดึงทางซึ่งตัดตรงกลางค่าตั้ดึงบัวบชนช่วงอันนั้นผมเปียกไปแล้วก็อีกบทนี้มีท่าบาทของ ตามปกติมีท่าเหววันเนื้อคันเน่าด้วยหมออบกระบาดมือท่านนี้ตัดเข้าสู่สภาพเลยเหมือนนิดผมกำลังงางอยู่ตัวผมมีเบาขึ้นไตลดอย่างว่าบ่นไม่ดีอกดีใจอย่างนด้มันเป็นอารมณ์นี่เลยด้วยศาสนาแบบของเหตุเมื่อกี้เป็นไปตามขั้นตอนบสิ่งสิงนี้เหยียดยื่นไปบ่นบ่นทุกย่างผุดวานี่ยน้ครับอันนี้เป็นอารมณ์ที่นำมาเราให้สั่ง แล้วก็มาแยกแยะให้ฟังพวกเราจะบอกเข้าใจถ้าพวกเราบอกเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติมันก็บอกเข้าเรื่องเข้าเรามันก็บอกเข้าหลักได้ครับมันเป็นต่างอันนี้จึงว่าพยานยา ม, ามทำไเองพอดีมันจืดมัดแล้วก็คลายคลายคือดักแด้ตัดขาดเราดึกดักแด้ห อ, อนไป h จะออกปต้มออกปต้มแล้วเจะไปซศ้าเอาใน้อาเอาเอ า, เอาไหม่มตัป็นสดอยู่ไหนมันเป็นอาการมาเข้าป้อมันเป็นเป็นอาการตอนเต่้าควมสุขประเภทนี้หมุนซื้อบอดายมีจักหมื่นล้านแสนล้านกับซื้อบดให้ผู้อื่นทำแทนกระบดาดถ้าทำผิดมาแต่ต้นแล้วการปฏิบัติธรรมะของพวกเขามันจะบกพ้าวหนะ้า ถ้าหากทำเราทำผูกมาเป็นต้นหลักการปฏิบัติธรรมะของเขามนอีกเก้าหนะ้ามันจะ็นแนวทที่น่ยพ่อวายให้ฟังเนาะให้พวกเขาทำะลอดไปเมื่อกีเก้าหนาะหรือเมืก่กี้บอกเก้าหนะ้าเพราะว่ามันเ ก, ก้าหนะ้าเพราะพระพรุทธเจ้าคนตัดไวหลายอย่างไหมเนาะตัดทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยพอแล้วเนาะจะหาว่าผมวาลีนโมบเมียนวาล้นเนี่ย ทัดทั้งหลายเมื่อเราตถาคตเหมือนกันทัดทั้งหลายเป็มตถาคตเนี่ยเป็นได้เหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าพญาวาสุทธานื้อุทธังสามะสีระทิถึงพุทธัสลูตามพระพุทธเจ้ามีสิ่และทิฐิเสมุปน้มีสิส่ง ม, มีทิฐิมีความเห็นคือกันกับพระพุทธเจ้าพญาวาจังใจจึงหว่าของตั้งใจปฏิบาย ขอที่ซีนิพนว่าะทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตถึงแรงแหงนั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาพตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาพตนี้นี่ยต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเมือนกิดกับองค์ที่เจ้าจือหอพยายามทำประจักษ์ต้น เอาไปเตต้นที่หละเพื่อนไปตามขั้นตอนไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่านั้นถ้า ห, าาห้าแวบเฮ็ดังซีเขาบกแก่โตนีริสก่อนเด้อไต่หปฏิบัติธรรมะที่บกเก้าน้าการปฏิบัติธรรมะเก้าน้าเพ่นว่ามันต้องไปิโต้นทายคือหอนปลูก้นใบนี่แหละออให้ปุยให้น้ำมันกัญญาไปขณาหดได้บหดได้ บุให้ปุ๋ยมันแด่มันกันนานขึ้นมันเป็นดูจิเตเปียกทางอยีกเป็นเขาเดินไปเฉยเดียวเนี่ยกระโบ้หุจักแล้วถามันเป็นหลักเป็นตอเป็นบอ่อเป็นเหวเป็นต้นเป็นเรียองอีกเป็นเขาโบ้หุจักแบบนี้เขาเที่ยวไปเลยเที่ยวบารุงหุจักนี่ถึงอยากตื้ดมาร้อยวันพันปีหาบุรู้จักสภาพถาว่าอาการตืด้ดับตัวมันดับ นันชีวิตของพุทธันเป็นมาสู้บุคคลเกิดมามื่อเดียววันเดียวเนี่รู้เห็นอันนี้แล้วเข้าใจอันนี้แล้วชิตของพุทธันคามาคนเกิดมามื่อเดียวมันจะพลิกผันเปี่โศได้อย่งไรก็เมื่อจะหอบฟังผมเล่าอยู่ดีดีไม่แล้วจําได้แล้วก็นำไปแก้ไขอันนี้เราเกิดมามื่อเดียวบวชมาร้อยวันพันปิประศรีทางไงกท่า ถ่าท่านกำลัด บ, บมหาเนี่นี่นหากรู้จากสภาพภาวะอาการเคลื่อนดับตัวนี้การบวชบอกว่าเป็นหมันอันนี้ส่งผลเป็นหมันบวชได้บดุญเล็กน้อยมันเป็นหมันเป็นหมุค่ะเดี๋ยวได้ยื้อืนอ่นได้หากบวชได้บุส่วนนี้บุญส่วนนี้บอก บ, บ, บวได้รู้คุณบวชแบบมือเดียวนี่แหละเรู้จักสภาพภาวะอันนี้อาการเคลนกับอันนี้ ชีวิตของว่านี่มีค่ามีราคามากกว่าเขาต้องทําชีวิตของเขาให้มีค้ามีราคามากให้มีกําไรชีวิตให้กับเธอไปขณาไปสอนพูดนืงกับกาไรชีวิตของเขาสอนได้สอนคนกับกาไรชีวิตของเขาสอนได้จากร้อยคนพันคนกับกำไรชีวิตของเขาอัน 100, น, นี้เป็นเอื่นกําไรชีวิตบนเรื่องกําไรคือเขาไปอันคือไปขายในใ้บนเรือนนีย พ่อผู้ยึดยึดคนทุกไปย่างคือเห่าคนไปนั้นคนวายังไงธรรมะอันที่ผมได้อยู่เดี๋ยวนี้บนแม่ของผูใ้ใดทั้งหมดเป็นสาคุณเป็นของทุกคนบนแม่เป็นของศาสนาพุทธบนม่เป็นของศรราสนาพาหม์บนแม่เป็นของศาสนาชิกบนแม่ของคนไทยบนแม่ของคนจีน บุญแม่ของผมของคนฝรั่งบุญแมของผมของคนอังกฤษบุญแม่ของคนอเมริกาบุญแม่ของคนญี family, ่ปุ่นไต้หวันมียังเป็นของผู้หูหูแล้วจะสงวนที่เขาติโดโบไดหูแล <go> ้วทาลายบไดอันเพราะมันเป็นยังสั้นอยู่เดียถ้าเขาทาทุบตอหลังหูลสวนที่ขาอย่างหูนะจ้าโบไดหูแล้วทาลายก็ตายซะกับโบได เว่ามันเป็นไปตามหน้าที่ออกมาที่ผมนำมารอให้ฟังพระว่าิเขาในๆนเาว่ากันแล้วว่าจิพยานพิดกันให้ออกประเป็นครูเป็นอาจารย์ของคนสอนคนให้มันเป็นนี่ผมจึงพยายามปรับปรุงพวกเขาให้รู้จักจริงๆถ้าห้าโบสักจริงจริงแล้วมันกิบบดีทุกคนต้องเปลี่ยนได้ทีเดียว กีเรศเอาตัดมือหัตะกอนมือยักเพ็ดกูโบเพ็รมือยักทานกูโบทมือยักวากูโบวาวเห็นกีเรตอันนี้ที่กีเรตนี่ว่าเป็นยางเนี่ยคือยางมะกนี่ของมันเอาวันนี้มันติดยางมกนีนยางมะขามุกนีเพอาเน้อมันมาไสแล้วกันลื่นออกพุกกรตุงก้อนอะไรลอันนี้ก็คือการเอาตัดทิ้งแล้วเอามาติดตัมกรโบอยูแล้วขอไปทิ้งเลยดีนันเป็น แล้วมันจะคิดถึงได้น่ะคิดเรื่องปัญหาคือเรืได้มันกลับ่าแล้วมันไม่มีแล้วมาไปทึกนเลยดิเพราะว่าเอายาหมักมียาหมากคำหนึ่งนะเอาน้ำมันล้างเอาเลยดิมันตกออกจากมือไปเลยดิเนยแล้วมันจะคิดอยากไปจับมาเติมด้วยแบบเนี่ยปัญหามันัอยากอยากไปจับเอาไปขิดนเพราะว่าอยากมีอุปกรณ์เครื่องใช้มากผู้ที่ปฏิบัติธรรมบุญเครื่องมา มีท่าเจี๊ยวรผืนนึ่งทาสังคาผืนนึ่งทาจะบงสองพื้นท้าฝะสองพื้นพอใส่แหละมากของทัานสาธุเว่าเปล่งกิเลสแล้วถ้าจะบงส่องพื้น ใ, ให้ยางเป็นมือผืนนี้อาบน้ำผืนนั่นมันหอ่ออาบน้ำแล้วก็มาถัดเกียวกันท่าฝาผืนนี้ห่อเอาไปซักผืนหน้ากับผักเกียว ถัดขึ้นกับทุกมือทุกมือสักทุกมือแล้วกับโบนิโบซ่าถ้าอังษา ส, สักทูกมือถ้าสมบูรณักทูมือเจ็บท้าจีวรเทบบ่บกัดเอามาห่มมู่งขึ้นมาหามูนี่รู้จักดรอคเข้าทจีวรผัดห่มสบายแล้วะแล้วไปใส่กระบอมีเครื่องหลายตัวโบได้ซอกหาว่ายาเจ็บแหนเจ็บขอย า, า, ากานเมองอุเจาระปุ๋ยวะนี่ มันไม่ได้ฟอกหะอันนั้นมันฟอกคหาอันนั้นอันนี้มันติดอย่างกิเล่มันมีอยู่เด็กถ้าหากเขาเก็บทิ่งฝาแล้วมันก็แล้วไปการช่วยห่านั้นบริสุทธิ์อืน่นมาช่วยห่อเลยถ้าหากให้คนอื่นมาช่วยเหาก็ราได้ผลแล้วของให้ผู้อื่นมาซอยอยู่เด็ พวกอื่นโบนสายเบาสายเสื่ออยู่กับเือเร่อยบบ่าเป็นคนนักเลยให้เอาไปฝังไว้ในมันสมองคุณที่ผมเบาผมหวานนี่นถ้าหากจาได้แล้วเอาไปฝังไว้ในสมองมาบ้าผมว่าปฏิบัติดีทลยมีแหละนิพพานดังม่นตายแล้วก็ไปนิพพานนี่นิพพานคือมันเข้าสุขภาพของมันคือซื่อนเลย ว่ามีเรื่องในห้งที่เกิดจากดีผ่านหนึ่งนี่แหละข่มสงบดุจแล้วข่มสงบแบบนี้เราต้องไปศึกษากับตำหนักตำราอันใดมากนกของจริงมันอยู่ที่ในขององคสูตรสาเร็จสําเร็จแล้วอันว่าสําเร็จเนี่ยมันเอมันคือเป็นของใยอะไย่างเงี้ยบ่วแม่นใ่เลยคือะมันจบสิ้นกัน เพราะว่าดึงบอคอคล้ายๆคือหอยเนี่ยหอยนี่นมันตไตแต่ที่ก่อนบัต น, นี้ยเขาต้มแต่มันเข้าไปในฟองหมดบัติเลยไม่ที่ไปเอามากินเขาต้มสุกเลยเไม่ตี้หรือออกมากระเบียด อ, ออกม า, าเปลี่ยนกันแล้วตัวกระเบยดออกมาเปลี่ยนกันเพราะมันขาดเด่นมันขาดคือเสื้อในร่อนดึงแล้วโบถึงกันนี่ที่มีประโยชน์มัยจะของสึ่งของกัน มันเป็นของตัวของลายของขที่สุดอย่างโอ้เพียงบ่งผมคิดคือคือทำไมมาเป็นอาซีนู้นกับเพื่อนรัผมว่าทบบาําอิสมาหอดบ้านข้าเจ้าหว่าผมผมพระพุทธเจ้าโบสถ์เป็นผู้มีนมพพานได้หรือว่าพระพเจ้ามีเท็จดิคคนใส่ฆ่าคนตัางหากเลเขาเจ้าดูให้จักโอ้ครูาอาจารย์ก็ว่าหนูนี่ไรในว่าแม่นียน่ยมันเป็นอะไรกัน บโดยเมื่อข้านคนอันออกค้อนไปไตีอไรเนี่ยข้าความเป็นคนให้มันตายไปซะให้มันเหลือจะความเป็นพระอริยบคุคคลนี้ีะสื่อดีเดทํานความเป็นพระอริยบุคคลกับพระธรรมแล้วแบบนั้นไปอย่างเงี้ยกับพระธรรมไปด้วยทําการกับพระธรรมจะทำ พูดกับพระธรรมไปพูดนึ่งคิดกับพระธรรมไปคิดน่งให้ว่าภาคธรรมยู่ทุกไม่ผิดไม่ิสัเขายู่ที่ัสเ ก, ก่าอยู่หันแล้วพอถถ้าหากผูใ้ใดเห็ามมาุธรรมะเลยได้ยีนทุกยังว่าไว้ในพระพุทธเจ้าผู้ดใดที่ปูซาพระพุทธเจ้าหรือพระตาพตทธนี่เขาตอกดอ ก, ดอกไม้ทุกเทียนของหอมทั้งหลายจะหนาแน่นตั้งแต่พื้นดินที่ประกานซ่าง คือว่าโบได้บูชาพระพุทธเจ้าคนหนึ่ผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้าคือประพฤ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมสมหวรแก่ธรรมคือวา่าผู้นั้นได้ปูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเขาเล่าติดในสื่อนี้เขาบ่เห็นธาตุธรรมนี่เขาบพิ่งเห็นพระพุทธเจ้าอย่นี้นี่แหละจึงพระพุทธเจ้าจึงว่าพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิ จิตตังยัตตนักปฏิอโศกังะสังเทมังเอตามังคละมุตตามังสัตวนจิตสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมนุษย์และเทวดาผู้แต่งทาแล้วมีแล้วให้เกดให้มีแล้วไปใส่มาใไ่โดยไม่เป็นทุก ข, ข์นอย่างนีพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตัง จิตของผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเป็นว่าก็ อ, อารมณ์โลกธรรม ท, ทั้งหลายคือว่าเขามาย่องเขามาทำเขาไมวันไหวเพราะเขาตั้งอยู่ในสภาพอาการเค้นดับตรงนี้นี่เป็นว่านั่นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าะะแต่เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าะะลเลยนะไม่ไม่ไม่ไม่โศกกลางว่ า, าวะะจิตบ่เศร้าโศกจิตบ่ขุนหมัวจิตบ่เศร้าหมองมันก็มีอย่างงาั้น อันนั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์วิรัชังมาสะั่นวิรัตชังบาเป็นจิตไร้ทุลีจิตไม่มีขยะเจือปนคล้ายๆขหแต่เหตุนามว่านามคุณนาบุคุนคิดตรงทีเ่เดนมันเช็ซื้อเหตุนามคุณจิตไร้ทุลีเป็นอนะเนาะอันนั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าเท้มาก จิตอุกเสมพลังของเออ ป, เปื้อพะจิตพลุกจิตบ้นพลุกอันนั้นต้อเอื้นจิตใจของเจ้าจำมีแค่ในเฮานี้นับทุกคนพลังแต่เฮาได้ ส, ใสนสใจจยงสัตว์เองาไปสนใจจงแต่เรื่องพิษที่สวดมงคลเอาได้ใส่จิตไว้อย่างนั้นจับไว้อย่างนี้นั่งพระเพียบอย่างนั้นจับเอาน้ํามนต์ให้จำสั้นพรมน้ํามนต์ให้อย่างของเราไปสนใจอย่างสั้น เราเลยไม่ได้สนใจของจริงเมื่มาสนใจของจริงแลง้วเราจะได้รู้ของจริงจริงจริงและบัด น, นี้ถ้าพุทธคุณที่ย่างผมวานีมาเฉพาะตำล่าว่าไวปไหมผู้ที่เจริญสติปัฏฐานที่ย่างนานเจ็ดปีกวันย่างกลางเจ็ดเดืนอนย่างไวที่สุดนับได้จะหนึ่งวันถึงเจ็ดวัน ทันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่มีอาริทรงฟองระการเชิงวานนี่เป็นพ่อหรหัตหากไม่ได้เป็นพ่อหรหัตต้องเป็นพระ อ, อนาคามีแน่นอนที่สุดกลยพระ อ, อนาคามีแต่เขาบุญจักมอ า, าวาวปิดเลยคือวิธีนี้ผมกล้ายืนยันรับรงองเลยวา่าเมืกเกินสามปีเนาะฝึปมาจากสามปีลงเด็กมันจะได้ไปเป็นครูสอนคนหลวงเด็กเด็กน้อยอายุเก้าปี ไปถึงสิบ ต, ตามปีผมฝึกมาแล้วโบน่ะเพราะเขาบ่มีอารมณ์บ่มีอดีตบ่มีอนาคตให้หมูรู้อยู่กับปัจจุบันเน้อแต่เธอต้องทําปัจจุบันเนะืมันเป็นยังไงรู้มั้งกลางาผู้เท้าผู้แก่เหาหนี้ไม่เดียวคิดหาลูกคิดหาหลานคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้คิดหาการอยู่การกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลักเด็กมันเกเป็นอดีตอ น, นาคตด้วยเชิงว่า ให้เ่างรู้จักว่าอาดีตอนาคตดีเด็กเอาว่าเป็นอวาศาสตร์แล้วศาสตร์หน้าโอเขาบู้จักตัวกิเลสดีด็กกิเลสตัณหาอุปทานศสตร์อันนี้แหละเป็นอดีตอนาคตจำให้มันดีครับ น, นกิเลสเขาอยู่กับกิเลสมันเป็นปัจจุบันตัณหามันเป็นอดีตอนาคตไปอุปทาน มันเป็นอดีตน อ, า อ, าดอนาคตไปหมดเอดีตอนาคตกัปัจจุบันไว้ใกล้ๆ ก, ก, กันเนี่โอ้ตัดมือกูนี่แล้วมันดีงได้นี่นมีแหละเราจะเห็นของจริงขึ้นมาถใหเหาผู้จักของจริงจริงจริงถ้าหากขารู้จักของจริงจริงจริงแล้วไปสีดมันจะยากถ้าหาครูาบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเนรแม่ข่าวแม่ดำ วังหยาประวาอยู่นี้แล้วจําได้ไปปฏิบัติแล้วไปสอนระบบฐานทิทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้ามิจเจริญมั่นคงนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือมันเข้าสู่สภาพเดิมมันคือือยังกินข้าวได้เขาก็คือได้ยินเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปปูดพวกปัญจวัคคีทั้งห้าจางตั้นจางเี่เยาก็บเขได้ยิ่เนี่ยแค่หอบบูฟุกั๊ก แสดงต่อพระยุสษาพระยุสษา น, ษา น, ษนีมันมี่เคื่อนหลายคนครับไล่คนรู้คนหึน่งเอาแหละที่ผมได้มางให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจตอนเช้าวันนี้ก็เห็นว่าสมความจริหละหล่ะทา้าที่สุดนี่ผมและพระสงฆ์แน่แนรญาติโยมแม่ขาวแม่ดำมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้ ผมขออ้างเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลังกาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปืี่นจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเจริญรอยตามให้ไปได้ย่างที่พรวิปัตสสบวนั้นว่าทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้น และจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราปัทพวกนี้เพราจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราปัทพวกนี้ต้องรู้ไปแต่แท้เห็นไปแต่แท้ทุกเกาะทุกหมูอ่อันเห็นนักก็เห็นจิตใจสะอาดจิต ใ, ใ, ใ, ใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติ่ย คันปกติและกิตใจคล่องใสแล้วสามารถมองเห็นกิเลสแล้วว่าเนี่ยวเดินนี้จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวแบเนี้ก็สามารถเอาอดีตอนุอนนคุณอนุพันได้เนี่ยมองเห็นอะไรโดยทุย่างตัดสิ่งใจลงไปโบพาผิดในพลวัตอย่างเดียวให้เขาเอาจริงเอาจังกันขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือว่า ในชะีวิตนี้ของทุกทุกคน